ต่อไปว่าการแสดงอริยสัจเนี่ยนะของพระพุทธเจ้าก็คือใช้บทใช้อักษรใช้วากยะส่วนแห่งวากยะวิเคราะห์คำขยายพวกนี้แสดงโดยไม่มีประมาณทั้งอริยสัจทั้งสีเลยนะทุกขสัจก็คือธรรมะในภูมิสามสมุทัยสัจคือตัณหาเนี่ยนะส่วนนิพพานนิพพานเป็นชื่อของนิโรสัจจะอันเป็นที่ดับทุกข อะสังคตะนะเป็นที่สลัดออกจากสังคตะถ้าเป็นปฏิสัมพิธามัร์เนี่ยนะชื่อของนิพานมีหลายชื่อนะอัปวัตะเนี่ยนะอานิมิตะอนายุหณะเนี่ยนะอัชติอนิพติอัคตะิเนี่ยนะอัคติคือไม่มีคติห้าเนี่ยนะเป็นต้นมันก็มีไวยพจน์คำที่ใช้แทนของนิพานอีกเยอะเนี่ยนะส่วนมรกมีองค์8ดชื่อว่ามรกขสัต ก็บอกว่ามักคสัต์นี้ต้องมีนิโรธสัตเป็นอารมณ์นะจึงจะเรียกว่ามัคคสัตถ์ถ้ายังไม่มีนิโรธสัจจะเป็นอารมณ์เป็นทุกขสัตท์หมดมัคปัจใจนี่เป็นทุกขสัตนะที่เป็นโลกยะทั้งหมดเนี่ยพวกสติสัมปัญญาฮิริโอต ป, ปะพวกเนียที่ยังเป็นมหากุลุลที่เป็นโลกยะกุลเนี่ยเป็นทุกขสัตท์หมดเลยที่มัคเหล่านั้นที่ยังเป็นทุกขสตัตเนื่องจากยังมี ทุกเป็นอารมณ์มีขันเป็นอารมณ์มีบัญญัติเป็นอารมณ์ต่อเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วนะสัมมาทิฏฐิเหล่านั้นจึงจะเป็นมัคคสัตว์เมื่อตัดกิเลสได้นี่นะนี่มาดูว่าในการแสดงอริยสัจของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะนะพระองค์ในนี้ก็จะมาแยกให้เห็นจับคู่กันเนี่ยนะเช่นพยัญชนะข้อหนึ่งก็จะเข้าอัฏฐะข้อหนึ่ง พย Base ัญชนะข้อสองเข้าอัฏฐะข้อสพยัญชนะข้อ3เข้าอัฏฐะข้อ3พยัญชนะข้อสเข้าอัฏฐะข้อสพยัญชนะข้อ5กัจักสัมพันธ์กับอัฏฐะข้อ5พยัญชนะข้อ6สัมพันธ์กับอัฏฐะข้อ6ยกตัวอย่างเช่นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงอัดโดยสังเขปด้วยอักษรทั้งหลายแสดงอัดเบื้องต้นคือประกาศนาเนี่ยด้วยบททั้งหลายทรงขยายความด้วยวากยะทั้งหลาย ขยายความก็คือวิวารณาทรงจำเนกคือวิพัชนาด้วยส่วนแห่งวากยะทั้งหลายทรงทำให้เข้าใจง่ายด้วยวิเคราะห์เนี่ยนะอุตนีกรรมะเนี่ยแล้วก็ทรงให้รู้อัดโดยประเภทด้วยคำขยายความวิเคราะห์ทั้งหลายอันนี้ก็คือพยัญชนะกับอัานี่จะสัมพันธ์กันทวนอีกครั้งหนึ่งว่า สังกาสนาปกาสนาเนี่ยนะหรือบทอักษรเนี่ยพวกนี้เป็นอะไรสแสดงกับใครสแสดงกับอุคติตันยูวิวารณาวิภาชนาที่เรียกวากยะกับส่วนแห่งวากยะแสดงกับวิปัญจิตันยูอุตนีกรรมมะกับวิเคราะห์เนี่ยนะปัญญติกับคำขยายวิเคราะห์พวกนี้ก็เป็นนัยยะบุคคลทีนี้การสแสดงอักษรบท หรือว่าสังกาสนาประกาศนาเนี่ยคำสอนแบบนี้เรียกว่าคำสอนแบบสังเขปแสดงแบบวิวรณาวิพัชนาเนี่ยเรียกว่าไม่สังเขปไม่พิสดารส่วนอุตตนีกรณะปัญญาตินี่เป็นการกระทำให้พิสดารเนี่ยนะพวกนี้ก็สัมพันธ์กันนะนะสรุปทวนครั้งก่อนที่บอกว่าคำสอนที่ไพเราะในเบื้องต้นเหมาะกับอุคติตันยู ภยราในท่ามกลางวิปัญจิตันยูภายราะในที่สุดเป็นนิยะบุคคลเนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นก็บอกว่าแสดงสังเขปเป็นเบื้องต้นแห่งเทศนาสังเขปอันนั้นหมายถึงอุเทศนะีการแสดงโดยไม่สังเขปไม่พิสดารเป็นท่ามกลางแห่งเทศนา น, นั้นเป็นนิเทศการแสดงโดยพิสดารเป็นที่สุดอันนี้ปฏินิเทศพระไตรปิฎก ค, คือพระสูตรพระพิธรรมพระวินยัยเมื่อพระองค์แสดงโดยสังเขป ย่อมแนะนําอุคติตันยูบุคคลเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกพระสูตรพระพิธรรมและพระวินัยนั้นว่าอารทิกา ร, รยานะคือมีความงามในเบื้องต้นดีในเบื้องต้นนะเพราะอะไรเพราะอุคติตันยูฟังและบรรลุเลยเนี่ยนะนะครั้งก่อนนู้นที่บอกว่าอะไรนะอารทิกา ร, รยานางมัตเชกา ร, รยานางปริโยสานกา ร, รยานงางอ่ะไพเราะในเบื้องต้นคือความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าไพเราะในท่ามกลางคือความเป็น ธรรมดีของพระธรรมภายเราะในที่สุดคือความปฏิบัติดีของพระสงค์พอตรงนี้ก็บอกว่าความาภายเราะในเบื้องต้นหมายถึงอุคติตันยูฟังแล้วบรรลุเพราะเพราะอะไรเพราะแสดงแบบอุเทศแสดงแบบย่อเนี่ยนะส่วนเมื่อแสดงโดยไม่สังเขตไม่พิสดารพวกนี้เป็นนิเทศเนี่ยนะย่อมแนะนําวิปัญจิตันยู เพราะบุคคลเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกพระสูตรพระพิธรรมและพระวินยัยนั้นว่ามัชเชกัลยานะมีความงามในท่ามกลางเนี่ยนะเมื่อทรงแสดงโดยพิสดารย่อมแนะนํำนิยบุคคลฉะนั้นท่านจึงเรียกพระสูตรพระพิธรรมและพระวินยัยนั้นว่าปริโยสานกัลยานะเนี่ยนะก็มีความงามในที่สุดตรงนี้ก็จําง่ายๆว่าอาธิกัลยานังคือแสดงแบบย่อเหมาะกับอุคติตัญญู มัชเชกัลยานังแสดงแบบไม่ย่อไม่พิสดารเนี่ยนะอันนี้เหมาะกับวิปัญจิตัญยูถ้าแสดงแบบพิสดารคือปฏินิเทศเนี่ยนะเป็นปริโยสานกัลยานังก็เป็นนัยะบุคคลเนี่ยนะก็สัมพันธ์กับสรุปว่าเทศนามี3าใช่ไหมจาเ ง, ไงเทศนาสามคือโดยโย่อโดยปานกลางโดยพิสดารเนี่ยนะ คำสอนแบ่งเป็นคำสอนเบื้องต้นไภเราะเบื้องต้นไพเราะท่ามกลางไภเราะที่สุดแล้วก็บุคคลมีสามคือปกติตันยูวิปัญจิตันยูนัยยะบุคคลแล้วก็เอามาชนกันเนี่ยนะก็คงเขียนเป็นตารางเองได้สบายนี่มาขึ้นข้อสิบเลยว่าในเทศนาว่าธรร ม, มังโว พิกเวเทเสสมาเนี่ยนะดูก่อนพี่สูทั้งหลายเราจะแสดงธรรมะแก่เธอทั้งหลายอันนี้เอามาจากหน้าไหนเนี่ยยกมาไงทําไมยกมาเลอยลอยยกมาจากหน้าเก้าเห็นไหมหน้าเก้าอะ่ะว่าดูก่อนพี่สูทั้งหลายเราจะแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจารพร้อมทั้งอาาัฏฐพร้อมทั้งทยันชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์แกเธอทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ขยายไปหลายคำเลยใช่ไหมว่าเบื้องต้นคืออะไรท่ามกลางคืออะไร ที่สุดคืออะไรทีนี้ก็จะมาขึ้นคำว่าเราจักแสดงธรรมเนี่ยนะครั้งก่อนก็บอกไปแล้วว่าธรรมะคืออริยสัจสเนี่ยนะที่ว่าแสดงธรรมคือแสดงอะไรแสดงอริยสัจสนี่ในการแสดงธรรมะคืออริยสัจสี่เนี่ยแสดงโดยที่ไม่มีอัดกับพยัญชนะเป็นไปได้ไหมเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยนะนะไม่ใช้ศัพท์ไม่ใช้คำไม่ใช้ความหมายก็พูดไม่ได้เนี่ยนะ เพราะอะไรเพราะว่าถ้อยคําที่ไพเราะเฉยเฉไม่มีความหมายก็มีเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยแสดงที่คาําก็ฟังง่ายความหมายก็เข้าใจชัดอันนี้พูดแบบคนโบราณเขานะของเราเนี่ยเกิดมาคนละยุคเราก็บอกหมายฟังค่อนข้างยากบอกไม่รู้เป็นไงนะหนังสือที่อ่านแล้วโหยานอนหลับอย่างดีเลยนะใครนอนไม่หลับก็อ่านพระไตรปดกนะแต่บางคนเนี่ยอ่านแล้วตื่นเลยก็มีเนี่ย ง่วงๆน่อัานพรไปดฎกนีตื่นเลยเนี่ยนะคือทาไมอ่ะเพราะว่าเขาเพ่งเนื้อหามากใครควรเนื้อหาพอคิดเนื้อหาไปมากเนี่ยนะก็แก้ง่วงปกติแล้ววิธีแก้ง่วงเนี่ยแก้ด้วยโพชฌงสามข้อนะเขาบอกว่าถ้าจิตหดหูแก้ด้วยโพชฌงคือปีติสมโพธธรรมวิจายะสามโพชฌงปีตหหิสามโพชฌงวิริยะสามโพชฌงแก้ด้วยโพชฌ ง, ง, ง, ง, งสามข้อถ้าหดหูนะ ถ้าง่วงง่วงซึมซึมเนี่ยแก้ด้วยสามอย่างแต่ถ้าฟุ้งซ่านเกิดก็แก้ด้วยโพชฌงสามคือปัตสัตทีสมาธิและอุเบขาสามโพชฌงเนี่ยนะถ้าฟุ้งมากก็แก้ด้วยโพชฌงสามมันบางคนเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็หายง่วงเลยก็มีคิดเรื่องอื่นในง่วงอยู่นะพระคิดธรรมะนี่หายง่วงเลยอะ่ะเพราะมันท่าง่วงงวงคิดเรื่องคิดไม่ออกอะ่ะมันต้องตื่นตัวขึ้นมา ท, ทันทีเลยนะ เรียว่าเป็นยาโดบอย่างดีเลยบางคนบางคนนี่โห้ยานอนหลับชั้นดีเลยก็มีนะถ้าคุยเรื่องอื่นอยู่ไม่เห็นง่วงเลยนะเพราะเข้าธรรมะปั๊บเนี่ยโห้ยนั่งหาให้ดูตั้งหลายรอบนะี่ยดูว่าเนื้อความที่แสดงโดยสังเขปเนี่ยชื่อว่าอะไรนะแสดงโดยสังเขปคือประกาศนะแอบสังกาสนะเนื้อความที่แสดงในเบื้องต้นอันนี้คือ ประกาศนะเนื้อความที่ขยายความเนี่ยนะวิวรรณะเนื้อความที่จำแนกเป็นวิภัชนะเนื้อความที่ทำให้ปรากฏชัดอันนี้อะไรอุตตีกรรมมะเนื้อความที่ให้รู้โดยประการต่างๆอันนี้เป็นบัญญัติเนี่ยนะบทหเหล่านี้ชื่อว่าอัฏฐะแห่งพระบาลีเนี่ยนะาร ท, ทั้งสัพพยัญชนังนะตรงนี้คืออัฏะบทหเนี่ยคืออัฏะ ส่วนสัพยัญชนนะน่ะบท6ที่เป็นศั์ก็คืออักษรบทวากยะส่วนแห่งวากยะวิเคราะห์คำขยายวิเคราะห์พวกนี้เป็นพยัญชนะเนี่ยนะที่เป็นพยัญชนะบทหนะเหล่านี้ชื่อว่าศัพ์เพราะเหตุนั้นเพราะความบริบูรณ์ด้วยอัธบทและพยัญชนะบทเหล่านั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดพร้อมด้วยอัฏฐะและพยัญชนะแก่เธอทั้งหลายจำง่ายๆนะว่าทั้งพยัญชนะทั้งอัฏฐะข้อหนึ่งข้อ2ข้อหนึ่งข้อ2ของอัฏฐพยัญชนะเป็นอุคติตันยูเป็นการแสดงแบบอุเทศแบบหัวข้อส่วนข้อ2ข้อ3เออเข้าไปข้อ3ข้อ4 ทั้งโดยอาาัฏฐะโดยพยัญชนะเป็นเหมาะกับวิปัญจิตันยูเป็นการแสดงแบบไม่ย่อไม่พิสดารเรียกว่าไพเราะในท่ามกลางข้อหข้อ6ทั้งสองขั้แล้วนะทั้งอาาัฏฐะทั้งพยัญชนะเป็นการแสดงแบบพิสดารพิสดารเหมาะกับใครในยะบุคคลเนี่ยนะแล้วก็อาธิการยานางมัตเชกัลยานางปรโยสานการยานางศาสถังสัพพยัญชนะงเนี่ยนะ ทนี้มาขึ้นเกวลังบ้างเนี่ยนะเกวลังเนี่ยโดยศับเนี่ยแปลว่าล้วนๆนะเกวลังเนี่ยแปลว่าล้วนๆแต่ถ้าอย่างในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอิมัสสะเกวัลัสะทุขขันธะสะสมุทโยโหติก็คือกองทุกข์ล้วนๆที่เกิดขึ้นกองทุกข์ล้วนๆที่ดับไปไม่ใช่ศั์แต่ในที่นี้เกวลังในที่นี้เนี่ยคำสอนของพระองค์ทั้งหมดจบลงที่ไหนเป็นโลกุตระธรรมล้วนๆไม่ละคนด้วยโลกิยาธรรม พราะอริยสัจต้องเป็นโลกุตระใช่ไหมถ้าอย่างเราเทั้งหลายอย่างนี้จะเรียกอริยสัจได้ไหมคืออริยสัจเนี่ยเป็นความจริงที่บุคคลใดเห็นแล้วทําให้เป็นพระอริยะถ้าเห็นแล้วเป็นพระอริยะจึงจะเรียกว่าเห็นอริยสัจแต่ถ้าเบื้องต้นก็ยังไม่ถึงก็เป็นสัจจะเหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่ถึงความเป็นอะไรอริยสัจเพราะอะไรเพราะยังไม่เห็นแล้วพอที่จะทําให้เป็น พระริยะได้แต่ที่พระพุทธเจ้าแสดงจริงๆแล้วจบที่โลกุตระเนี่ยนะเพราะอะรเพษษราะมรรคศาสตย์ก็เป็นโลกุตระนิพพานไปที่เป็นอารมณ์ของมรรคก็เป็นโลกุตระนี่นะปริปู น, นังที่แปลว่าบริบูรณ์บริบูรณ์ก็คือไม่ยิ่งไม่หย่อนเนี่ยนะพอดีเลยอะ่ะพอดีที่เขาจะบรรลุได้นะถามว่าความพอดีนี่เอาอะไรเป็นมาตรฐาน พระนสูตรบางสูตรยาวมากบางสูตรสั้นมากบางสูตรก็กึ่กงยาวเก่งพิสดารทีขณิกายก็สูตรยาวเหลือเกินมัชฌิมนิกายนก็อพอดีสังยุตอังคุตยาวบ้างสั้นบ้างคุถกานิกายก็ว่าเป็นเรื่องๆไปเออแล้วแล้วบริบูรณ์เนี่ยเอาแค่ไหน่ะที่ว่าไม่หย่อนไม่ยิ่งเอาผู้ฟังเป็นเกณฑ์ไม่ใช่เอาผู้แสดงเป็นเกณฑ์ถ้าเอาผู้แสดงเป็นเกณฑ์พระพุทธเจ้ามีเทศจบไหมนี่นี่ย ใช้พยัญชนะเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยนะเทศอยู่ไม่มีจบอ่ะก็อะไรเพราะว่าอย่างธรรมะที่พระองค์พิจารณาสมัญต์ปัฏฐานอนันตนายเนี่ยนะที่พิจารณาอยู่แค่สัปดาห์เดียวนั่นแหะถ้าหากว่าให้พระองค์แสดงเป็นคำเนี่ยนะร้อยปีก็ไม่มีจบเนี่ยนะหรือมี ม, มีในอัตถกถาปัฏฐานท่านบอกว่าถ้าหากว่าผู้ใดจะพึงสังวรนน า, นาคือขยายทุกบทในคัมภีร์ปัฏฐาน ร้อยปีก็ไม่จบทุกบทเลยนะเช่นกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลด้วยอํานาจเหตุตุป จ, จัยกุศลได้แก่อะไรบ้างคือทานกนะุศลศีลและกุศลมลายเนี่ยนะกุศลอันนี้ทําจิตตชรุปยกให้ถ้าเอาทุกคําอย่างนี้แล้วมาทุกปัจจัยทุกไนยะทั้งติกะทุกะทุกะติกะติกะติกะทุกกะทุ ก, กะเนี่ยถ้าเอามาขยายหมดวูไม่ต้องทํา <laughs> ไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะมันก็เลยเรียกว่า อันนั้นแบบพิสดารแต่ทีนี้จุดประสงค์ที่พระองค์แสดงเอาผู้ฟังตรัสรู้เป็นเกณฑ์ถ้าหากว่าเขาฟังแล้วเข้าตรัสรู้โลกุตระธรรมได้หรือเป็นอุปนิสัยให้ตรัสรู้โลกุตระธรรมได้พระองค์เอาตรงนั้นเป็นเป็นประมาณเพราะฉะนั้นพระสู่ทุกสู่ที่พระองค์แสดงนี่ก็บริบูรณ์แล้วสําหรับเรื่องนั้นเนี่ยนะบทว่าปริสุทธัง คือไม่มีมนฑินปราศจากมนทินทั้งพวงสะอาดหมดจดเป็นที่ตั้งแห่งคุ ณ, ณวิเศษบริสุทธิ์เนี่ยสิ่งที่บริสุทธิ์ต้องไม่เศร้ามองนะมนทินแปลว่าเครื่องเศร้ามองเพราะฉะนั้นไม่มีความเศร้ามองเลยเพราะเป็นที่ตั้งแห่งคุ ณ, ณวิเศษคุ ณ, ณวิเศษอันนี้หมายถึงอุตริมนุสธรรมเนี่ยนะคุ ณ, ณวิเศษคืออะไรเช่นเบาอย่างล่างๆก็คือฌานอภินญาชั้นสูงก็มรรคผลเนี่ยนะ ท่านความบริสุทธิ์อันนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งคุณวิเศษคือโลกุตระธรรมถามว่าไอสิ่งที่ไม่มีมณทินปราศจากมณทินสะอาดหมดจดอันนี้คืออะไรคือไตรสิกขาที่บอกว่าข้อปฏิบัตินี้เรียกว่าตถาคตบทคือหนทางที่เสด็จไปของพระพุทธเจ้าทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเนี่ยเสด็จยังไงเสด็จไปด้วยไตรสิกขาเนี่ยนะ ธรรมะสมเนี่เราเคยได้ยินนะธรรมะสมคืออุปจาระฌานเจสมาบัติ8เนี่ยนะแล้วอะไรมหาวิปัสสนา18มรรคสี่รวมเป็น37ทวนอีกครั้งหนึ่งนะอุปจาระฌานเจสมาบัติ8มหาวิปัสสนา18อริยมรรคสเนี่ยนะ เช่นว่าหนทางที่พระองค์เดินน่ะนะคือสิกขาสามใช่ไหมสิกขาสามเนี่ยจะบริบูรณ์จริงๆในขณะอรหัตตะมัตแล้วก่อนหน้านี้ะก็คือออกจากการมาฉันทะด้วยเนคขมมะออกจากพยาบาทด้วยอัพยาปาทะออกจากถีนมิทะด้วยอโลกสัญญาออกจากวิจิกิจชาด้วยการกำหนดธรรมออกจากความฟุ้งซ่านด้วยความไม่ฟุ้งซ่านออกจาก อารติด้วยปราโมทออกจากอาวิชชาด้วยญาณนะเนี่ยนะก็จะมีการออกไปโดยลําดับทางนี้แหละคือทางที่พระพุทธเจ้าทรงส่องเสรเนี่ยนะก็ไปเรียนดนะูในบทว่าสัมมาสัมพุทโธนะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปเออพอไปในบทว่าตถาคตเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเสด็จไปอย่างนั้นเสด็จไปยังไงคือเสด็จอกอกจากกิเลสไปโดยลําดับโดยลําดับนะท่านละกิเลสไปโดยลําดับนะไม่ใช่ละแบบเมาส์ไปเลยนะ พวดไปเลยโดยที่ไม่รู้อะไรไม่ใช่มีการละเป็นลำดับแล้วทุกอย่างที่ละนั้น่ะมีการพิจารณาไข้ครวญอย่างรอบคอบเป็นอย่างดี37อะไรก็คืออุปจาระรเจ็ดอ่ของมาเรียกชื่อเองว่าธรรมะ37ว่านับได้37พอดีไม่ใช่พธที่ปัจยธรรมอีกกลุ่มหนึ่งธรรมะ37ก็แบ่งอ่ คือเรียกตามชื่อนะมันมีสาิเจก็เลยเรียกสาสิบ็ดไปแต่เขาจะแบ่งว่าอุปจาระเจคืออุปจาระฌานอ่ะนะอุปจาระฌานเจ็ดสมาบัติ8ดมหาวิปัสสนาสิบแปดแล้วก็อริยมรรคอีกสี่สก็คือสมถวิปัสสนานั่นเองอะนะเบื้องต้นก็อุปจาระเจ็ดนี่ก็รวมทั้งศีลศีลด้วยแล้วก็อุปจาระสมาธิด้วยสมาบัติ8ดอันนี้ก็เป็นสมถะ มหาวิปัสสนา18ก็เป็นวิปัสสนานั้นผลของศีลสมาธิวิปัสสนาที่บริบูรณ์ก็มัคสีเนี่ยนะจริงๆพวกนั้นก็เป็นเหตุเป็นผลสัมพันธ์กันไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นถ้าว่าโดยย่อๆนะทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปก็คือเสด็จไปด้วยสิกขาสาสิกขาสามประชุมกันเรียกว่ามัคเนี่ยนะสิ่งนี้จะเรียกว่าตถาคต ตถาคตนิเวสิตะก็ได้ก็สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเสพเสพในที่นี้หมายถึงโคจรภาวนาคือเสพด้วยการโคจรเนี่ยนะโดยโคจรเช่นถ้าสิ่งนั้นเป็นทุกขสั์โคจรโดยการพิจรารณาถ้าเป็นมรรคสัจก็คือทํากุศลนั้นนั้นให้เกิดได้จริงๆเนี่ยนะเพราะนั้ น, ะนคําว่าทรงเสพคือโคจรภาวนาเรียกว่าตถาคต อ่านะตถาคตารันชิตะที่เจาะด้วยพระเขียวกล่าวคือสัพพัญยุตยานของพระพุทธเจ้านะั่นนะอันนี้หมายถึงสัพพัญยุตยานหรือมหาวชิระยานยานประดุดเพชรเนี่ยนะยานประดุดเพชรของพระพุทธเจ้าก็มากมายพระองค์นี้บัญญัติศาสนานี้เรียกว่าพรหมจรรย์ศาสนาเนี่ยคำว่าพรหมจรรย์นเนี่ยนะมีอยู่สองความหมายนะีย คำว่าพรหมจรรย์นเนี่ยความประพฤติประเสริฐเนี่ยมีอยู่2 อ, อย่างคือศาสนาพรหมจรรย์กับมรรคมจรรย์ศาสนาพรหมจรรย์ก็คือที่ประชุมของสิกขาสามนี่นะอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเนี่ยนะก็คือปีดกสามนั่นเองทีนี้ไตรสิกขาสามเนี่ยสำคัญยังไงนะเมื่อเช้าที่เขาแจกไปเนี่ยดีมากเลยนะีอันนี้ไปท่องเอาไว้เลยถ้าใครจําได้ ใครจําไม่ได้ก็ไปติดไว้บนหัวนอนแล้วก็ดูบ่อยๆเนี่ยนะนะดูหลายๆครั้งจนกว่าจะจําได้เพราะความรู้อันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานอย่างมากเนี่ยนะเนะพราะนี่คือศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้คือพระวินยัยพระสูตรพระอภิธรรมก็คือศีลสมาธิและปัญญาเนี่ยนะนะทั้งหมดนี่คือพรหมจรรย์ในพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติแล้วจะต้องเป็นไปตามแนวนี้ทั้งหมดจะไม่มีการพลาดเคลื่อนจากนี้เนี่ยนะนะ เพราะว่าอย่างโดยเทศนาโดยาศาสนาเนี่ยนะโดยกระถาโดยศิษยาประหานะการละกิเลสอ่ะทั้งหมดหัวข้อนี้คือพรหมจรรย์นในาศาสนานี้จะว่าเรื่องเดียวกันก็เรื่องเดียวกันใช่ไหมแต่ถ้าแยกไปแล้วเนี่ยตรงนี้ยกมาแค่20จริงๆก็ยังมีอีกบ้างเนี่ยนะที่ยังเอามาไม่หมดเนี่ยนะเช่นอะไรศีลละอะไรโทสะพระสูตรละโลภะอภิธรรมละ โมหะเนี่ยนะก็เพิ่มอีกนิดหน่อยแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วสมบูรณ์เกือบเกือบเต็มที่แล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือศาสนาของพระพุทธเจ้าต้องเป็นไปตามแนวนี้อันนี้เอาไว้เป็นมาตรฐานเอาไว้ตรวจสอบว่าเข้าถึงพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าได้ขนาดไหนเนี่ยนะนะทั้งหมดเนี่ยนะก็คงคงเอาไปดูเอาอะนะเพราะว่าอธิบายถ้าอธิบายตามนี้อีกก็โอสองสามชั่วโมงอีกจริงก็ดีมากนะ มันศาสนาพรหมจรรย์ก็คือไตรสิกขาไตรสิกขาไตรสิกขาเรียกว่าพรหมจรรย์เป็นการประพฤติอย่างประเสริฐทีนี้บางคำเนี่ยเขาถามว่าเอท่านประพฤติพรหมจรรย์นในศาสนาของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์อะไรเนี่นะเพื่อประโยชน์อะไรมีหลายความหมายนียบางสูตรบอกว่าประพฤติพรหมจรรย์นในศาสนาพระพุทธเจ้าเพื่อละราคะอันนี้ก็คือเน้นตรงเลยว่าเพื่อกําจัดสมุทัยสัตว์ อีกความหมายหนึ่งเขาบอกว่าท่านประพฤติธรรมะในพระพุทธเจ้าหรือประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาพระพุทธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อปริญญาในทุกข์เพื่อกําหนดรู้ทุกขอีกบางในก็คือหมายว่าเพื่อทําให้แจ้งพระนิพพานอย่างในรัฐวินีตัสูใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่ออนุปาธาปรินิพพานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอตัวตัวพรหมจรรย์ที่หมายถึงอริยมรตมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะ ผู้ที่ประพฤติตามนี้จริงอ่ะเพื่อประโยชน์แก่การกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเนี่ยนะเพราะเขาที่เน้นตรงนี้เนี่ยนะอย่างบางท่านไปเข้าใจผิดว่าศีลก็ศีลไปสมาธิก็สมาธิไปปัญญาก็ปัญญาไปโดยที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการทําปริญญาในทุกข์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการละกิเลสไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการทําให้แจ้งพระนิพพานซึ่งจริงๆแล้วเนะี่ย สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเขาเรียกว่าเอกะปฏิเวทยานเขาว่าแทงตลอดด้วยยานอันเดียวเนี่ยนะบรรลุด้วยยานเดียวนะัทั้งหมดเนี่ยทายังไงอ่ะกว่าจะปรุงแต่งให้มรขยานเกิดขึ้นแทงตลอดได้แต่ว่าสิ่งที่ถูกปรุงแต่งนะที่ปรุงยากกว่าเพื่อนเลยคือมรไม่มีอะไรจะปรุงยากกว่ามรอีกแล้วเนี่ยนะปรุงใช้สูตรปรุงเนี่ยมากแล้วก็ในบรรดาสิ่งที่ปรุงยากเนี่ยนะ ยากกว่านั้นนี่คือมรรคของพระพุทธเจ้าอันนี้ปรุงยากรองลงมาก็มรรคของพระปัจเจ ก, ก็ปรุงยากรองลงมาอีกมรรคของพระมหาสาวกก็ปรุงยากพระอสิติมหาสาวกโดยเฉพาะพระอนุนเป็นต้นมรรคของท่านเหล่านั้นก็ปรุงยากนะป่จะเกิดได้เนี่ยนะทีนี้มรรคของเราก็อยู่ที่ว่าเราปรารถนามรรคระดับไหนนะจะปรุงยากปรุงง่ายก็อยู่ที่ที่ความอะไรความปรารถนานี่นะความต้องการ ถ้าการุณาคนอื่นมากอยากกระสงเคราะห์คนอื่นก็อันนี้ปรุงนานหน่อยนะแล้วก็ระหว่างปรุงอยู่เขาก็ชมบ้างว่าปรุงอร่อยไม่อร่อยเนี่ยนะเขาก็มีคนชอบบ้างคนชังบ้างอันนี้ก็ธรรมดานันะแต่ถ้าปรุงสดแล้วคนชอบหมดทีนี้คําถามว่าธรรมเทศานานี้ทรงแสดงเพื่อประโยชน์แก่ใครเพื่อประโยชน์แก่โยคีบุคคลโยคีโยคะนะโยคะก็แปลว่าผู้ผู้ประกอบหรือผู้ปฏิบัติก็ได้ เพราะฉะนั้นท่านพ้ามหากัจจายนะกล่าวว่าอาสาธาอาทีนวะนิสรณะผลอุบายและอานัตของพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์แก่โยคีบุคคลทั้งหลาย น, นะเป็นสังวร น, นาพิเศษชื่อว่าเทสนาหาระนันเทสนาหาระอันนี้จบลงที่ไหนคำขยายทั้งหมดเลยนะจบลงที่อนุปาธาปรินิพานเลยนะถ้าถ้าได้ตามนี้จริงๆอ่ะนะเพราะว่าคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดจบลงที่ พระนิพานทีนี้เทศนาหาระเนี่ยวิธีสังเกตดูก็คืออะไรคืออนุปุภิกถาทั้งหลายถ้าจะเห็นชัดนะอนุปุภิกขาทั้งหลายเนี่ยตอนแรกพระองค์จะพูดถึงศีลทานศีล ส, สวรรค์คืออสาธะละเออเนี่ยถ้าให้ทาดีรักษาศีลดีเนี่ยจะได้อัศธาอย่างนี้นะในรูปที่น่าปรารถนาเสียงที่น่าพอใจเป็นต้นเนี่ยนะเสร็จแล้วพอแสดงอัศาะอะ จนถึงสวรรค์จบแล้วแล้วเนี่ยนะถามสวรรค์เที่ยงหรือไม่เที่ยงเวลาอยู่ในสวรรค์เนี่ยเป็นบุญมากหรือเป็นบาปมากสวรรค์เนี่ยมีโทษไหมถ้าประมาทแล้วตายจากสวรรค์ไปเกิดที่ไหนบ้างแหละครับนี้อันนี้แหละเริ่มอาทีนะเนี่ยนะเริ่มประกาศโทษเริ่มประกาศโทษของกามเนี่ยนะเพราะเทวดาทั้งหลายเขาก็ทะเลาะกันเหมือนกันนะเทวรรดานี่ก็ไม่ได้มองกันด้วยเมตตากันเท่าไหร่ใช่ไห ม, ไมก็บางทีนะเทะวรรดากลุ่มที่เรียกว่า พวกประทุสรายทางใจแล้วตายทั้งคู่เขามีอย่างเงี้ยฝ่ายนี้เขาพาบริวารมันขเข้าไปเที่ยวอีฝ่ายนู้นก็พาบริวารมันขเข้ามาเที่ยวไอฝ่ายนี้มองเห็นตายก็หมันไส้แม่ทาเป็นอวดอะไรงี้นาไอทางนั้นเนี่ยโกรธต่อโกรธมองกันไม่ยากเลยทางโน้นบอกเฮ้ย hey, มันเกี่ยวอะไรของแกแหะฉันก็มาด้ยบุญของฉันนะก็เลยจ้องตามอ ง, ต า, มองตาก็ตายกันนางฟ้าร้องระงมเลยนะใกล้แถวนั้นนะตายทั้งคู่ล้จุติแถวนั้นจะไปไหนดี ก็ไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นถ้าเทวดาหรือบางทีเนี่ยก็มีอีกเพลินนะนะเที่ยวไปเที่ยวมาเพลินเลยเวลาอาหารไปมื้อเดียวก็ตาย น, นะเนี่ยเขามีนะัในในโคสกะเศรษฐีเนี่ยนะโคสกะเศรษฐีเนี่ยเขาก็เป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงที่เขาชื่อว่าโคสกะคือเขาพูดกระซิบกระซิบมันดัง16กิโลเมตรเนี่ยนะเขาพูดปกตินี่กล้องดาวดึงหมด <c oughs> ก็เลยเรียกชื่อโคศกเลยนะพูดเสียงดังมาก ยมเพนพูดเสียงดังหรือเปล่าไม่ทราบดังนะถ้าใช้ไม้ก็พูดดังอะ่ะ <c oughs> เป็นโฆศกเหมือนกันหลังก็ผู้ที่โฆษกเกษตรพบุตรเนี่ยพอไอ้ความที่จริงๆนะ อ, อดีตชาติสองชาติก่อนมานี่แกค่อนข้างกันดารในเรื่องวัตถุกรรมมากชีวิตที่ผ่านมามันค่อนข้างเดือดร้อนกับเรื่องกาม์นี่เพราะฉะนั้นก็เลยเที่ยวเต็มที่เลยอะ่ะเที่ยวไปเที่ยวมาลืมกินข้าวไปเมื่อหนึ่งตาเลย เขาบอกว่าถามว่าเอา้ามนุษย์ทั้งหลายนีย่อดทั้งหลายมือใช่ไหมกว่าจะตายเนี่ยเทวดาทําไมใจส่อจังอดหน่อยเดียวก็ตายแล้วเขาบอกว่าก็ลองถอนดอกบัวไปตากแดดดูสิเย็นๆก็เอาน้ําไปรดดูสิมันจะมันจะสดคืนไม่ล่ะนั่นฉันใดเทวดาก็าฉันนั้นเนี่ยนะเขบอกว่าเตโชธาตเขาแรงมากนนะรูปนี้อ่อนกําลังเตโชธาตแรงของมนุษย์เนี่ยเตโชธาตไม่ค่อยแรงแต่รูปนี่มีกําลังเพราะฉะนั้นก็เลยแตกต่างกันเทวดาก็เลยตาย มันก็เลยเนี่ยประกาศอารทินของกามท ino, ja och och allez, the, ั so far, ้งหลายทีนี้ถ้ากามเหล่านั้นเนี่ยนะถ้าให้พ้นมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วอะถ้าเป็นพระราชาท่านก็บอกพระราชาก็ทะเลาะกับพระราชาใช่ไหมกษัตริย์ก็ทะเลาะกับกษัตริย์พี่น้องก็ทะเลาะกันเพราะเรื่องกามอ่ะนะแม่ลูกก็ยังทะเลาะกันพ่อลูกก็ทะเลาะกันพี่น้องก็ทะเลาะกันเพื่อนก็ทะเลาะกับเพื่อนสึกสงครามทั้งหลายก็สึกแย่งชิงกามกันทั้งนั้นเนี่ยนะทะเลาะกันมีปากเสียงกันก็คือเพราะอะไรเพราะเรื่องกาม ฉการทะเลาะการวิวาทการแก่งแย่งการชิงดีเป็นต้นเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากวัตถุกรรมทั้งหลายแล้ววัตถุกรรมเนี่ยเพราะอะไรเพราะการเข้าไปมีฉันทะในพอใจในวัตถุกรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นออกจากกิเลสกรรมเหล่านั้นเถิดอันนั้นเป็นเนคขมะใช่ไหมเนคขมะคือการออกจากกิเลสกรรมคือออกจากกิเลสกรรมด้วยกุศลธรรมออกจากวัตถุกรรมด้วย ปริญญาเนี่ยนะเข้าไปพิจรารณาเข้าไปรอบรู้ในวัตถุ ก, การมเหล่านั้นทั้งหมดทีนี้ผู้ที่ฟังไปอย่างนี้โดยธรรมดาทั่วไปเนี่ยาภายเราะในเบื้องต้นเมื่อผู้ฟังแล้วสงบรงบงนะ ง, บรงับจากนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยนะสงบระงับจากนิวรณ์ทั้งหลายจิตก็จะอ่อนจิตก็จะเบาก็ควรแกการงานใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็แสดงทุกขาริยสัจถามว่าอะไรรู้อริยสัจปัญญาใช่ วิปัสนาเนี่ยเป็นเครื่องรู้อริยสัจเพราะฉะนั้นเท่ากับว่านี้ทุกนั่นะคือสอนวิปัสนาเข้าไปเห็นทุกนะว่าความจริงของทุกเนี่ยว่างเปล่าจากความเที่ยงความสุขและความยั่งยืนว่างจากความงามอย่างแท้จริงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละเป็นทุกขาริยสัจเนี่ยนะ